ญาโยน้งหลายต่อนที่ไปขอบันดาญาโยมพุทธบริษัทฟังคำแนะนำในการจริญกรรมฐานสักครู่หนึ่งสำหรับกิรจการีริญประกรรมฐานก็ขอขึ้นเบื้องต้นก่อนทุกวันความจริงเบื้องต้นมีความต้องกาต้องใช้กันถึงที่สุดถึงวันตายนั่นก็คือกำหนดรู้ลงให้ใจเข้าออกแต่ก่อนจะพูดเรื่องนี้ขอ ส่วนบรรดาดท่านผู้ประกับกาด้วยก่อนว่าขึ้นชื่อว่าสมาธิก็ดีฌานสมาบัติก็ดีจะทรงตัวกับเราได้ต่อสัยสินเป็นพื้นฐานถ้าหากว่าสินบริสุทธิ์สมาธิก็ท่งตัวดีฌานสมาบัติก็ทรงตัวดีถ้าวันไหนบกพร่องในศินวันนั้นสมาธิก็เฟื่องกสักกระไและฌานสมาบัติก็ไม่ท่งตัว ฉันย่ายโยมพุทธไวัตที่ตั้งใ จ, จเจริญสมาธิหรือวัสนาญาณสมาธิวาสนาญาณในมันเดียวกันนะเรื่องสมถทากรรมฐานหรือวาสนากรรมฐานนั้นต้อยู่ร่วมกันจะทําแยกกันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้พยายามทาแยกไม่มีผลโครงความว่าต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานถ้าศีลบริสุทธิ์มีการทรงตัวดีสมาธิก็เกิด เมื่อสมาธิเกิดแล้วจิตใจมีความเยือกเย็นปัญญาก็เกิดอย่างที่บรรดาท่านพุทธวิสัตถ์หลายๆคนประรบว่าบางครั้งเจริญสมาธิในการก่อนๆรู้สึกว่ามีกําลังใจหนักแน่นดีมีการทรงตัวมากต่อมาการหนักแน่นในการทรงตัวคลายไปเมื่อลมเบา ก็มีหลายๆท่านคิดว่าเวลานี้เราเป็นผู้เสื่อมจากสมาธิแล้วหรือหรือว่าเราเสื่อมจากฌานสมาบัติแต่ความจริงไม่ใช่นบะันดาญย่าโยมพุทธบริษัทอาการทรงตัวของจิตที่จิตทรงตัวแนบแน่นแล้วก็อาการหนักแล้มันหนัก อ, อารมณ์หนักมากรู้สึกแน่นแล้วก็หนัก อันนี้เป็นกําลังของสมาธิคือฌานโลกีส่วนเดียวกําลังวิปัสสนาญาณนี้เข้าควบคุม น, น้อยมากต่อมาใสกําลังสมาธิทรงตัวมากขึ้นเมื่อสมาธิทรงตัวมากขึ้นปัญญาก็เกิดมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าขณะที่มีสมาธิทรงตัวแนบนั่นดีแล้วมีการทรงตัวดีมากหนัก ต่อไปในปลายมือรู้สึกอารมณ์จิตจะคลายเมื่อคลายมีอารมณ์เบามีความรู้สึกจิตในการเคลื่อนไหวได้แล้วก็อาจจะคิดถึงการแต่กิเล ส, ส่วนใดส่วนหนึ่งทึ่เป็นธรรมเป็นธรรมเพื่อแต่กิเลสอารมณ์จะโปร่งตอนนั้นแปลการของปัญญาเพราะสมาธิเกิดเจตมาตราปัญญาก็เกิดต่อมาเนี่เมื่อปัญญามีมากขึ้นสูงขึ้นกําลังวิปัสสนาญาณสูงขึ้น สมาธิก็เป็นสมาธิตามเดิมแต่ความแน่นไม่มีมีอาการเบาแต่จิตทรงตัวโปร่งมีความสุขอย่างนี้ต้องถือว่ามีอาการก้าวไปข้างหน้าไม่้ถอยหลังที่วันดด ญ, ญาติโยมพรทุบริษรัทบางท่านคิดว่ามันถอยหลังพวามจริงไม่ถอยความรู้สึกอย่างนี้เป็นกับคนทุกคนอันนี้นั่นมายเพียงปลายก็ค่อยย้อนเบื่องตน <c oughs> การที่เจริญสมาธิขบรนดาท่านพุทธริษณ์ก็ต้องระมัดระวังกิเลสที่เป็นศัตรูกับสมาธิไม่ลืมนะเดี๋ยวก่อนคําว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจตั้งใจอยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะเวลานั้นชี่ิจิตในสมาธิอย่างโบราพระโบราณาจารย์หลายตั้งแต่สมัยเก่ามาจนสมัยนี้สอนเหมือนกันก็คืออันดับแรกขบรนดาญาโยงพุทธริษั์กําหนดรู้ลมให้ใจเขาออก กรรมฐานกองนี้มีความสําคัญมากที่เรียกว่าอานาปานุสติคือเราไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อันนี้อย่าถือว่าเป็นกรรมฐานเล็กน้อยเป็นกรรมฐานใหญ่กรรมฐานจริงๆนี่เป็นมาดแม่บาทมีสี่สิบกอง อีกยี่สเก้ากองนั่นขึ้นกับอนาปานุสติถ้าเวลาไหนเราทิ้งอนาปานุติเวลานั้นยี่สิบเก้ากองจะไม่มีสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิจะมีการทรงตัวได้เพราะอาศัยลมหายใจเข้าออกฉะนั้นกรรมฐานลมหายใจเข้าออกของดาญาโยงพุทธบริษัทให้ถือว่าเป็นก ร, รฐานที่มีความสาคัญมากเป็นแม่บาแตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานระงับกายสังขาร คือระงับทุกขเวทนาถ้าทุกขเวทนาทางร่างกายเกิดขึ้นถ้าเราสามารถทรงสมาธิได้ขึงขันคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยทําได้นิดหน่อยก็สลายตัวไปทําได้นิดหน่อยส ล, สลายตัวไปเวลาไม่มากได้นาทีบ้างสองนาทีบ้างไม่ถึงสมนาทีก็สลายตัวอย่างนี้ท่าเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเพียงแค่เท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ทุกเวทนาจากการป่วยแค่สบายจะรู้สึกมาลดตัวน้อยลงไปมากถ้ากำลังใจเขาบันดาลทำพุทธบริษัทสามารถสัมมาาปานาุปติได้ถึงอุปจาป ร, าราสมาธิอย่างนี้ทุกขเวทนาในร่างกายเกือบจะไม่มีความรู้สึกว่ามีความจรงิงทุกเวทนามันมีเทมาตราแต่สมาธิเอาอารมณ์ข้นจิตแยกจากปราทเอาบางไกลมากเกือบไม่มีความรู้สึก ถ้าสมาธินายน า, าปานุสติเข้าถึงฌานสมาบัติตอนนั้นจะไม่รู้สึกว่ามีทุกขเวทนาเลยเป็นว่ากรรมฐานกองแรกเกื้อนาปานุสติเป็นลมหายใจเขาออกที่มีความสำคัญตามนี้ในตอนต้นว่าโบราณาจารย์ทั้งหลายตั้งต้นจนทั้ ง, ง, งปัจจุบันก็สอนบมืว่าให้รู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกจะที่ภาวนา ท่านจะภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้ถ้าเวลาจิตฟุ้งซ่านเกินไปไม่ต้องการภาวนาก็ไม่ต้องภาวนารวบรวมใจเขาออกอย่างเดียวเพราะว่าอานาปานุตติแล้วรวมใจเขาออกนี่ระงับการฟุ้งซ่านของจิตบางทีถ้าภาวนาด้วยจิตจะฟุ้งซ่านมากไปก็ไม่ต้องภาวนาเอาแค่รวบรวมใจเขาออกอย่างเดียวแต่กําลังใจไม่ฟุ้งซ่านมากไปก็ภาวนาร่วมถ้าภาวนานี่เป็นกรรมฐานอีกกองหนึ่งทัางหาก ทำเป็นสองกองร่วมกันแตคำภาวนานี้ไม่จํากัดบรรดาญาโยมบริษัทสําหรับสุขรเปสโก <c oughs> จะภาวนาว่ายังไงก็ได้ถ้าญาโยมที่ใหม่จริงๆไม่เคยปฏิบัติให้ใช้ธรรานาว่าพุทธโธเ <c oughs> วลาให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธนาให้ใจออกนึกว่าโธแต่การทําขออย่าอย่าโปรดใจเครียดเกินไปทํำพอแค่จิตเป็นสุข เป็นว่าถ้าจิตกระสับกระสายมากเกินไปฟุ้งซ่านทนไม่ไหวให้เลิกซะก่อนอย่าเครียดถ้าไปเร่งรัดไปเครียดจะบังคับจะเกิดฟุ้งซ่านมากขึ้นและราการที่สองถ้าจิตเข้าทั้งปีติปีติแปลความอิ่มใจมีความชุ่มชื่นมีความเอิอ้อปีนใต้การเขาปีติจริงๆนะมีห้าคือหนึ่งขนพองสยองกล้าวขนลุกสูดสาสองน้ำตาไหล สร่างกายโยกโครง4ตัวลอยเวากาศห้ามีอาการทราบสานรู้สึกตัวใหญ่หน้าใหญ่เป็นต้นอาการของปีติมีห้าอย่างอาการทางกายที่ปรากฏห้าอย่างนี้จะปรากฏขึ้นมาแบบไหนก็ตามเพราะบรรดาญาโยมผู้บริษัทจุญ่าสนใจปล่อยมันไปมันเป็นไปตามกำลังของสมาธิที่ว่าโบราณที่เรียกตามกำลังของลมลมไม่ใจเข้าออก ถ้าปีติเบื้องต้นเกิดขึ้นก็นมีการลุกสู้คนลุกสู้สาวสู้สาวคนพองสยองกล่าวก็ปล่อยไปแต่เวลานั้นจิตใจจะชุ่มชื้นถ้าปีติค่อยส่องเกิดขึ้นน้ำตาไหลเกิดใครก็พูดอะไรให้ชอบใจก็ตามน้ำตาจะไหลคือไม่ไม่ไม่ใช่เวลาจเจอกรรมฐ า, านก็นตามเกิดพลชอบใจอะไรขึ้นมาก็ตามจะน้าตาไหลทันทีอย่างนี้ก็ปล่อยมัน ถ้าจิตมันเลยไปแล้วมันก็จะเลิกขึ้นเองข้อที 3, อ่สามอาการด้างกายโยกโคลงมันจะโยกไปโยกมาโยกขณาโยกพลังแต่เวลานั้นจิตเป็นสกก็ปล่อยจะโยกอะก็ปล่อยมันโยกไปไม่ต้องไปแก้ไขถ้าไปฝืนไม่ให้มันโยกจิตจะไม่เข้าทรงจะไม่เข้าทรงตัวทศสมาธิถ้ากําลังจิตสูงขึ้นอาการโยกั้งหมดไปอย่างนี้เป็นต้นรวมความว่าทุกคนอย่าสนใจอาการขคนร่างกายเป็นไงคนช่าง อันนี้เมื่อกำลังโคงจิตเข้าทุกปีติแล้วอาการปีติคือความอิ่มใจมันก็ใกล้กับฌานสมาบัติมากถ้าถึงปีติประเดี๋ยวเดียวก็ถึงสุขความสุขใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกยอดเยี่ยมมากจะไม่เคยปายารากฏคราวมาก่อนพอจิตถึงสุขอารมณ์ก็เป็นเอกตาารมณ์เอกตาารมณ์นี่เป็นฌานคำว่าเอกตารมณ์ K T A R H M. ก็คืออารมณ์อันเดียวที่จะทรงตัว อย่างถ้าเราภาวนาว่าพุโทโธแล้รู้ลมหายใจเขาออกจิตมันจะอยู่แค่ลมหายใจเขาออกกับพุโธมันจะไม่ไปไหนยจะเคลื่อนไหวไม่ได้ <c oughs> จะทรงตัวแบบนั้นนะ่ะเ้าจะมีการดิ่งมันก็ลงจากลงไปที่ลึกจย่งนี้เป็นต้นอย่างนั้นเรียกถือว่าสมาธิเมรมถึงที่สุดของพระธ ม, มาชาน ถ้าอาการอย่างนั้นก่ขึ้นก็ปล่อยไปก็มีคนหลายคนมาถามว่าอาการมันดิ่งอย่างนี้ทรงตัวแบบนี้จะแก้ไขแบบไหนก็ต้องขอตอบว่าไม่ต้องแก้ไขปล่อยมันเป็นอาการสมาธิขณะที่จิตทรงตัวดิ่งเป็นเอกตารมณ์ไม่ไดเปเรื่องอื่นอย่างนั้นถือว่าเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเราต้องการพอพออาการดิง่งทรงตัวสักครู่หนึ่งพอเดี๋ยวอาการสมาธิจะลดตัว ไอ้การสมาธิจะลดตัวไอ้การดิ่งจะหายไปจะมีการทรงตัวขึ้นมีความรู้สึกตัวแล้วสามารถนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่เวลานั้นจะเป็นอาการของอุปจารสมาธิปัญญาจะเกิดตอนนั้นอารมณ์จิตจะไข่คุมวิปัสนาญาณข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ถ้าจะถามว่าวิปัสนาญาณต้องการข้อไหนก็ตอบว่าต้องตามใจชอบเพราะวิปัสนาญาณนี่มีเยอะเอากันจริงๆแล้วก็เรื่องขันห้าอย่างเดียว ถ้าเราจะจับอริยสัจก็ได้เป็วิบัตินาญาณสูงสุดหรือนนิจังทุกขรัตน์ตายก็ได้ถ้าเจ้าอนิจังเวลานั้นจิตมันจะมีความทรงตัวสบายเมรลมปลอดโปรง่งก็นึกถึงตามความเป็นจริงว่าโลกทั้งโลกเป็นอนิจังคําว่านิจังในมันไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงร่างกายคนอื่นก็ไม่เที่ยง ร่างกายสัตว์ทั้งโลกก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุาท่างหลายก็ไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงด้านกลางมีการสลายตัวมันลึกสุดเพราะาศัยความไม่เที่ยงของมันเราคิดว่ามันเที่ยงอย่างร่างกายของเราเกิดมาเราไม่ต้องการความแก่เรากคิดว่าเราจะไม่แก่ในเมื่อเราคิดว่าเราจะไม่แก่ความตนองตัวมันก็เกิดมานะก็เกิด <c oughs> แต่ ว, ว่าการทนงตัวเริ่ ม, มาน่าจะเกิดขนาดไหนก็ตามความแก่มาต้องมาต่อไปไมาถึงวระคข้วจริงความแก่ก็เกิดตอนนี้เราคิดว่าเราจะไม่แก่เมื่อความแก่มันเกิดเพราะความอนิจจังไม่เทียงอย่างนี้ความทุกข์ก็เกิดความวันไบของจิตก็กเกิดที่เราคิดว่าเราจะไม่แก่มันกลับแก่ขึ้นมาแบบนี้ในเมื่อตอนในเมื่อกแก่แล้วก็ตัดสินใจว่าแก่ก็แก่เถอะไม่เป็นไรยอมแก่แต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะตาย ความจรอนัตตาคือความตายการสลายตัวเราไม่คิดว่าจะถึงขั้นนัตตาถ้าขั้นอนัตตามันจะมาจริงความตายจะเข้าถึงความทุกข์่อเกิดกรวมความว่าถ้าเราจะนักเจริญวิปัสสนาญาณก็ต้องมีความรู้สึกตามความเปจริงวันโลกทั้งโลกเป็นอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงโดยเพราะอย่างยิ่งร่างกายของเราเองเนี่ยมันไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรพลันท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุด การในสองและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความเป็นเด็กเกิดเกิดขึ้นมาถึงความเป็นหน่มแล้วก็พอใจว่ามันเป็นหนม่มท่านี้ความเป็นหนมค่อยๆ ค, ค, คลายหายตัวไปก็ความเปลียของคนวัยกลางคนเกิดขึ้ น, นและเมื่อการเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมัน <c oughs> เกิดแล้วก็ต้องแก่เป็นธรรมดา เนนี้ไอ้ความแก่เกิดขึ้นอย่างอื่นมันกิดวนอย่างฟันมันก็ไม่ดีมันก็วนหูตามันก็ตาก็ฝาหูก็ฟังก็อย่างนี้อาการเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่อายุมันมากเกินไปความเสี่ยงก็เกิดเป็นธรรมดาของร่างกายถ้าความตายจะเข้ามาถึงก็มีความรู้สึกนั้นเป็นธรรมดาควรเกิดมาแล้วตายถ้าคิดอย่างนี้จริงๆแปลงกายของนักวิปัสสนาญาณจะไม่มีความทุกข์ เพื่คนที่จะไม่มีความทุกข์ใจร่างกายเปลีป่ยนแปลงก็คือยอมรับนับถือกฎธรรมดานี่เวลาที่จิตมันสบายนะหรือพระท่านจะไม่คิดอย่างนั้นประยุทธ์หลักของอริยสัจคืออริยสัจจริงๆเนี่ยเขาเรียนกันข้อเดียวอริยสัจจริงๆมันมีสี่อย่างคือหนึ่งทุกสองสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์สามมรร สามนิโรธะความดับทุกข์สี่มักปฏิปทาถึงความดับทุกข์แต่ว่าการศึกษากันจริงให้เข้าใจข้อเดียวใช้ได้คือทุกข์ถ้ามีความรู้จักทุกข์จริงๆก็ถือว่าเป็นเข้าผู้เข้าถึงความเป็นยพระอริยเจ้าได้นั่นคือเมื่อจิตมันคลายตัวจากการดิ่งลงมาแล้วปัญญาเกิดจิตเบาตัวก็ใช้รมหันไปจากอริยสัจของพระพุทธเจ้าทาน <c oughs> พระุทธเจ้าแต่ว่า โลกทั้งโลกมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขสิ่งใดที่เราคิดว่าเป็นความสุขมันนั่นนั่นคือเชื้อสายเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์อย่างที่เราต้องการความอิ่มของอาหารอาหารที่เรากกินเราหิวเราเป็นทุกข์เราต้องการความอิ่มของอาหารเมื่อกินอาหารแล้วก็เป็นสุขมันอิ่มแต่ความจริงอาหารที่เราจะได้มานี่มันมาจากทุกข์ การประกอบกิจการงานต่างๆทําทได้เทนนายก็ทุกหรือว่าการรับเหตการจะไปได้เงินเดินมาก็ทุกมีความเหนื่อยยากการค้าขายกว่าจะได้รรยยเงินมาก็ทุกตัวเหนื่อยยากกลุ่มความว่าปัจจัยทั้งหลายเงินทองที่ทําเสือ้ออาหารซื้ อ, อผ้าพนต่อสบายมันมาจากอาการของความทุกข์แต่นี้เมื่อร่างกายเราใช้ของนั่นแล้วกินของนั่นแล้วไม่ที่จะหมดทุกความอิ่วอิ่มเกิดขึ้นชั่วคราวอีกสักครู่หนึ่งมันจะหิว ได้ความหิวเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ใหม่เน่ทุกต่อไปก็ต้องหาอาชีพมีอาชีพประกอบกิจงานหาทรัพย์ผนมาเพื่อข่าหายของเรานี่มันก็เหน็ดเหนื่อยตัวเนเหนื่อยเป็นความทุกข์เมื่อสรุปตั้นๆร่างกายเราหิวก็ทุกข์ในเมื่อความแก่เข้ามาครอบงำํำร่างกายก็ทุกข์ฟันไม่ดีก็ทุกข์ปวดฟันก็ทุกข์ในตาฝ้าหูฟังก็ทุกข์ ผมหงอกก็ทุกข์ร่างกายมีกําลังน้อยก็ทุกข์ทำงานไม่คล่องตัวมีการทุกข์ตลอดต่อไปเมื่อความตายจะก็มาถึงทุกเวทนามันต้องเกิดอย่างสาหัสอันนี้ต้องเตรียมตัวไว้ว่าคนเราจะตายจริงๆถ้าทุกเวทนามันน้อยแต่มันไม่ตายทุกเวทนาต้องมากมันต้องบีบคั้นประสาททุกส่วนก็ต้องทํางานไม่ไหวแลือหัวใจทํางานไม่ไหวมันยิงจะตายต้องเตรียมตัวไว้ เตรียมตัวว่าถ้าอาการยันไหนเกิดขึ้นเราจะทํำยังไงเราก็เข้าใจเรื่องทุกไว้ก่อนก็คิดตัดสินใจไว้ก่อนว่าขึ้นชีวการเกิดมันทุกอย่างนี้เราจะหลีกเลี่ยงความทุกขไม่ได้แน่ยังไงไงมันต้องมีความทุกทุกจากการกระทําชาติปัจจุบันทุกจากการกดขกรรมในชาติก่อนกดขูงกรรมในชาติก่อ น, อ ก, รรนก็นตามที่กล่าวมาเรื่องครสุตราเป็นตัวอย่าง ยังทุกตีเกิดที่กุตระาต้องเป็นคนรับใช้เพราะใช้พระละหันหยิบเครื่องแต่งตัวความจริงก็ข อ, อาภัยแล้วก็ไม่น่าจะมีโทษพา ร, าารนะละหันนัถ้าไม่เอาโทษกับใครแล้วท่นขี้เกียจเอาโทษแล้วก็ขี้เกียจโกรธการจองล้างจองผ่านไม่มีความโกรธไม่มีความไม่พอใจหรือความจริงใจนั่นไม่มีเพื่ออารมณ์ท่านเบาแต่ว่ากฎของกรรมที่ใช้พระ ต้องเป็นคนรับใช้เขาต้องห้าร้อยชาตินี่เราก็เรืองกรรมประเภทนี้อาจจะสนองเราอะอไรก็ได้ถ้า ต, ต่อมาคุตตระต้องหลังโกงหลังโกงกับพระกฎข้องกรรมที่จะถือว่าล้อลิงก็ไม่ใช่ที่เพื่อนเพื่อนถามว่าพระบเจงพระเจ้าองค์นั้นรูบร่างไปยังไงคุตระแทนที่เธอจะบอกว่าหลังแท่งคอมเธอก็ไม่บอก บอกว่าพระผู้เปเจ้าของพระราชารูปร่างแบบนี้ห่มผ้าเฉียงบาเข้าแล้วก็หยิบขันมาทํำบาทแล้วก็เดินก้มหลังแสดงพระเจพระเจ้าเดินอย่างนี้นี่ทําเพียงแค่เท่านี้เธอก็ต้องเป็นคนหลังคอมอั น, นี่กฎของกรรมเก่าแล้วแก้ไขไม่ได้ถ้าบังเอิญพบกฎของกรรมแบบนี้เข้าแต่ะอะไรก็ตามที่อยู่ๆไม่เกิดความทุกข์ขึ้นก็ต้องนั่งนึกว่ามันทุกข์มาจากอะไรชาตินี้เราทําอะไรไว้ ถ้ากรรมประเภศนั้นชาตินี้เราไม่ทํากระเทวกรรมชาติก่อนก็ให้ทุกคนถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดมนร่างกายถ้าการเกิดขึ้นมาในร่างกายก็ต้องมีการรับสัมผัสจากความทุกข์อย่างนี้ทุกจากกรรมปัจจุบันบ้างทุกจากกรรมในชาติอดีตบ้างต้องยอมรับมันแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปว่าถ้าการเกิดของเราเป็นทุกข์อย่างนี้มีชาติไหนบ้างที่เราเกิดไม่ทุกข์ ดูฝนไปดูกระบัติความเป็นมาของคนพระตามประศุยก็ได้เห็นว่าทุกคนที่เกิดมาทุกชาติจะมีแต่ความทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นก็ถือว่าการเกิดเป็นคนในมนุษย์โลกมันเต็มด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการมาอีกก็ตัดสินใจทําตัวเพื่อพันิช์พันเพราะแดนพันิช์พันเป็นแดนที่หมดทุกได้ความจริงการตัดตสินใจพันิพย์พันมันจะไปชาตินี้ได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญถ้าเราหวังนิพันธ์แสดอารมณ์มันไม่ต่า ถ้าชาตินี้บังเอิญไม่ได้นิพพานจริงๆเราพยายามสร้างความดีแต่กาลังไม่ถึงอย่างเร็วเราก็ไปติดโยเทวดาและนางฟ้าก็ยังมีความสุขถ้ามีกําลังสูงกว่านั้นอาจจะติดโยพรมก็มีความสุขยิ่งขึ้นต่อจากนั้นไปก็บาบรรลุบารมีต่อก็สามารถจะปานิพานได้นการปานิพานเราทํำยังไงเ <c oughs> ตรียมตัวเพื่อปานิพานไว้ค่อยๆฝึก วันเดียวมันไม่ได้เขาจะต้องนานๆให้มันชินคำว่าฌานคือชินมีรมทรงตัวในคืนหนึ่งมีความคิดว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้า <c oughs> คิดอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นถ้าไปนึกที่ว่าร่างกายที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นยังไงที่พระเจ้าตรัส ก็ต้องคิดว่าถ้าร่างกายนี่มันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเป็นสมบัติที่เราปกครองได้ร่างกายนี้ต้องไม่แก่ร่างกายนี้ต้องไม่ป่วยร่างกายนี้ต้องไม่ตายทั้งนี้เพราะอะไรว่าทั้งสามรายการที่เราไม่ต้องการมันความแก่เราก็ไม่ต้องการอ้การป่วยไข้ไม่สบายเราก็ไม่ต้องการความตายเราไม่ต้องการแต่ได้ว่าร่างกายไม่อยู่นำหน้าที่เราต้องการถึงวาระที่มันจะแก่มันก็แก่ขมันทุกวัน มันไม่ยอมตามใจเราถึงเวลาที่มันจะป่วยมันก็ต้องป่วยถึงเวลาที่มันจะตายมันก็ต้องตายโครงความไม่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายมึงเราสรุปแล้วว่าร่างกายของเราต้องตายแน่ยืนยันอารมณ์นี้ไว้ว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันต้องตายถ้าริการในสองก่อนจะตายเราจะส่งความดีเพื่อ น, นิพาน ถึงความดีที่เราจะทรงที่พูดตอนนี้ยังไม่ถึงนิพพานเราตามมันเข้ากระแสเข้าเขตนั่นคือเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาคือต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อน <c oughs> ว่าพระพุทธเจ้าทําไมยังควรยอมรับนับถือพระธรรมทำไมควรยอมยอมนับถือพระสงฆ์ทําไมควรยอมรับนับถือใช้ปัญญาพิจารณาก่อนได้เห็นว่าดีจริงยอมรับนับถือด้วยความไม่คงไม่ใคราตัว นี่ที่ตัดสัญญอไปสองข้อและตัดสัญญอข้อที่สามีลประตาปรามาสต่อไปคิดว่าความดีที่เราจะทรงสามารถหลีกอบายภูมิได้ตายจากความไม่คนอย่างน้อยก็เป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าหรือไปเป็นพรหมและดีไม่ดีไม่ย่ยมร่างกายและปณิพันธ์นั่นก็คือต้องทรงศีลให้บริสุทธิ์ดเฉพาะอย่างยิ่งอันดับแรกฝึกศีลห้าให้ทรงตัวก่อน ในเมื่อสินห้าสามารถทรงตัวได้แล้วก็ฝึกกระบอกสิบร่วมคือว่าใช้สินห้ากับกระบอกสิบร่วมกันสองอย่างเป็นสี่ข้อจะพูดให้ฟังข้อที่หนึ่งทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืชผิดในกรรมและไม่ดื่มสุราเม่ไรนี่ร่วมกันทั้งสองอย่างนะทั้งสินห้ากระบอกสิบมันก็เหมือนกันกระบอกสิบกับสินห้าเนี่เหมือนกันแต่ว่าต่างกันอยู่บ้างบางตอน นี่เรามาร่วมกันเข้าก็หนึ่งไม่ฆ่าสัตสองไม่ลักทรัพย์สามไม่พุ้นพินกรรมเลสี่ไม่ดื่มสรามีไรเราจะงดเว้นไม่ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปท้องอาจจะเผลอได้บ้างเป็นของทราดาวใหม่ๆสำหรับทางวาจาวาจาก็คืนหนึ่งพระจารกบรสิบจะมีสี่สินห้ามีหนึ่งวาจาก็บสิบคือหนึ่งไม่พูดปดเหมือนก็ศสินห้าสองไม่พูดขบหยาบ สมไม่ส่อเสียดโยโยงส่งเสริงก็แตกเร้ากันนั้นปินทาชาบ้านแล้วก็สี่ไม่พูดวาจาเพื่อเจือเลวไหลไรประโยชน์เป็นสี่อย่างท่านบอกว่เราจะเว้นไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ส่อเสียดไม่เพื่อเจือเลวไหลวาจาใดที่ไม่เป็นประโยชน์เราไม่พูดนี่วาจาเาสินไม่ห้ามใจแต่กำบลดห้ามใจ ทางด้านจิตใจมีสามขึ้นหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำได้ขึ้นที่ว่าทรัพย์สมบัติของเจ้าบ้านเนี่ยเราไม่ต้องการไม่เอาเขาไม่ให้เราไม่ต้องการเขาไม่คิดอยากได้โดยทางใจได้รายการที่สองความโกรธยังมีแต่โกรธแล้วก็หายไปไม่จองล้างจองผ่อนจองเวรจองกรรมใครรายการที่สามยอมรับนักถือคําสอนพระเจ้าด้วยความด้วยความดี ไม่พลายอมปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเรื่อความว่าถ้าทุกคนมีกรรมบทสิบระการด้วยมีพระไตรชนนาคมด้วยนึกถึงความตายไว้ด้วยทั้งสมอย่างนี้ทั้งสามอย่างนี้เป็นอารมณ์ของมรรสดาบันดาสกิทาคามีแต่ว่าถ้างพระท่านไปปฏิบัติแล้วจะเป็นมระโสดาบันดาสกิทาคารีหรือไม่เด็กเขาี่โปรดอย่าคิด เราไม่คิดไม่ต้องคิดว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าหรือเปล่าเอาแต่เพียงว่าพระอริยเจ้าท่านคิดแบบไหนท่านทําแบบไหนเราทำตามท่านเพื่อหนึ่งพระอริยเจ้าคําภีรโสดาบันสิกิตาคารมีท่านคิดว่าร่างกายนี้ต้องตายยังมีความรักสวยรักงามแต่ไม่เมาในชีวิตเกินไปที่ว่าสักวันหนึ่งข้าต้องตายอย่าลืมนะว่าระโสดาบันสิกิตาคารมีนะี่ยังแต่งงานได้นะ คนไม่แต่งงานก็แต่งงานได้คนที่แต่งงานแล้วก็ไม่ต้องเลิกรากันยังอยู่ด้วยกันได้เพราะสาแค่ชิ้นห้ากับบทสิบก็ไม่ได้ห้ามไม่ใช่ชิ้นแปดเลิกวัยการต่อไปพระโสดาบันมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระทรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจเราก็ทําตามท่านพระโสดามีชิ้นห้ากับบทสิบริสุทธิ์เราก็ทําตามท่านเมื่อเราทําตามท่านแล้วยาเป็นพระโสดาบันหรือไม่เป็นอย่าสนใจ ถ้าไปสนใจเกินเข้าดีไมด่ดีคิดว่าเราเป็นมโสดาบันแต่บังเอิญมายังไม่ได้อย่างนี้จะกลายเป็นมานะทิฐิอารมณ์หยาบเชเกิดที่ไม่ดีดเผยตัวโลภนรกไปก็ลองคิดว่าท่านทํำยังไงเราทําอย่างนั้นจะเป็นหรือไม่เป็นไม่เําคกันคิดว่าหนึ่งเรานึกถึงความตายเป็นผู้ไม่ประมาทแต่ชีวิตคิดสร้างความดีนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเคารพเป็นการปรับปรุงจิตใจอยู่ในเขตของความดีเอาไปที่พึ่ง ถ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยเฉพาะไม่เคยไหว้ไม่เคยกราบไม่เคยบูชาไม่เคยใช่บาทไม่เคยพังเทศอย่างมัตตกตรดีเทพบุตรเขาตายจากความเป็นคนไปเตือนปีชวดดาได้นี่เรานึกถึงพระไตรสนาคมทั้งสามอย่างทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยอย่างน้อยสุดชาตินี้เราก็ไปสวรรค์ได้ต่อไปถ้าเรามีศีลห้าหรือกรรมวิชิตเข้าครอบเข้าการกั้ง กั้นกลางใบยภูมิถ้ามีสินห้ากำหนดสิทธิ์ก็ภูมใจอย่างนี้ซี่งรี่กว่าบาปทุกอย่างที่ทํามาแล้วทั้งหมดแต่ก่อนนี้ไม่สามารถจะดึงบรรดาญาโยงพุทธบริษัทหรงอใบยภูมิไดไ้หมายความ่าเราจะพุทธใบย่ภูมิทุกชาติไปกว่าจะข้านิพ่านดังนั้นขอบรรดาญาโยงพุทธบริษัททุกท่านเวลาที่จะปฏิบัติจริงๆให้มุ่งตัดสังโยชสามรายการ อันดับแรกขึ้นต้นกําหนดรูล้ลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้ารู้อยู่ย ใ, ใจออกรู้อยู่แล้วภาวนาให้จิตทรงตัวถ้าจิตทรงตัวดีแล้วก็นึกถึงว่าเออชีวิตนี่มันต้องตายนะนึกถึงความตายไปปกติแล้วนึกถึงความตายไม่ใหญ่คิดกันทั้งวันอาจจะเป็นนิดหนึ่งแล้วประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้ต่อไปคิดว่าถ้าเราจะตายไม่ขอลงต่ําจะไปดีไปสูงอย่าน้อยไปสวรรค์เป็นต้นและวันิพันธ์เป็นที่สุด ล้วก็นึกถึงบา ร, รมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็อยอมรับนับถือท่านด้วยความจริงใจตั้งใจควบคุมรักคงกาลังใจอยู่ในสิน5ห้กันหมดสึกเพียงเท่านี้บป็ดาพุทธบริษัททำทุกๆวันก่อนหลับเพื่อเตล่นใหม่ๆอย่างนี้กาลังใจของบรรดาธรรมพุทธบริษัททุกท่านจะตั้งอยู่ในรมของแต่ของอการตัดการทลายสัญญาตัสามในาการ เป็นหน้าเป็นกำลังใจที่พ่นจาบายภูมตอนนี้ไปขบรนดาญาโยโยโยโยติโยมพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจสม า, า, สสม า, ามทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน